องหกแห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองคหกแม้อื่นอีกจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้คือ 1. ไม่รู้จักอาบัตสอไม่รู้จักอนาบัตสาไม่รู้จักอาบัตเบา 4. ไม่รู้จักอาบัตหนักห้าจำปาธิโมกทั้งสองโดยพิสดารไม่ได้ดีจำแนกไม่ได้ดีไม่คล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะไม่ได้ดี 6. มีพันษาหย่อน5ภิกสุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้วงเล็บเจ็ด